ถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปออกปากขอเข้าเปลือกดิบมาฉันในสิกขาบทที่เจ็ดนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสี่สมุดฐานละ